บทที่สองไม่มีความตายบุคคลส่วนมากมักถูกสะกดจิตด้วยคำพูดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดผิดอยู่เสมอและบ่อยครั้งเรามักจะได้ยินบุคคลผู้ซึ่งน่าจะรู้จักความจริงในเรื่องความตายดีกลับใช้คำพูดอันไม่สมควรเช่นพูดถึงความตายว่าเป็นผู้ที่เด็ดชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายยังไม่ปราณี สัความเจริญแห่งชีวิตเสียในขณะที่อายุยังน้อยทำให้บุคคลนั้นๆไม่ต้องทำงานอย่างไรอีกต่อไปหรือว่าชีวิตอันเจริญของเขาถึงที่สุดลงแล้วเพียงนั่นเองเป็นต้นข้ามกล่าวเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายไปในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังว่าบุคคลผู้ตายไปแล้วนั้นไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วและความเป็นอยู่ของเขาก็หมดสิ้นลงแต่เพียงนั้นคือเขาได้หายไปหมดสิ้นเลย ในประเทศทางตะวันตกการกล่าวเช่นนี้มีมากและความเข้าใจดังกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างยิ่งจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงตลอดเวลาแล้วเรื่องเช่นนี้ก็เป็นไปได้ทั้งทั้งที่ศาสนาทางตะวันตกมีคำสอนเรื่องความสุขในโลกหน้าชีวิตหลังจากความตายสอนไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งงินที่จริงน่าจะทาให้คนส่วนมากมองเห็นความตายในแง่ที่ดีหรือถูกต้องบ้าง และเมื่อคิดถึงความจริงในแง่นี้ญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังก็น่าจะแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้เดินทางไปสู่ความสุขในภพใหม่บ้างตามสมควรแต่เหตุการณ์ก็กลับเป็นไปอย่างตรงกันข้ามเพราะคนส่วนมากทั้งทั้งที่นับถือศาสนาและเชื่อในแนวคำสอนของศาสนาเช่นนั้นก็ยังมีความหวาดสดุ่งต่อความตายซึ่งเขายังคิดว่าเป็นผู้ที่จะมาแดดชีวิตของเขา ให้ศูนย์และทําให้หายไปนอกจากนั้นบรรดาญาติพี่น้องก็ยังแต่งกายด้วยเครื่องดําเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่ผู้จากไปดีเสอีกด้วยเหตุดังกล่าวมาจึงเห็นได้ว่าความเชื่อในหลักศาสนาไม่ได้ทำให้คนเราหายจากความหวาดสะดุ้งกลัวต่อความตายได้เลยอุปมาเรื่องนอนผีเสือ้อ แต่สำหรับบุคคลที่เข้าใจความจริงในเรื่องนี้ได้อย่างถึงใจแล้วความหวาดกลัวของเขาจะค่อยๆจางหายไปเป็นลำดับแม้เขาจะรู้สึกเสียใจในการจากไปของผู้ตายและต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักของตนไปชั่วคราวเขาก็รู้ว่าผู้ที่ตายไปนั้นได้ไปมีชีวิตอยู่ในสภาวะมาอีกแบบหนึ่งแล้วและไม่ได้สูญหายไปเลยเพราะอ่านที่จริงก็ไม่มีอะไรสูญหายไปได้เลย มีนิทานเก่าวของชาวฮินดูเล่าต่อกันมาหลายร้อยปีแล้วอยู่เรื่องหนึ่งพอที่จะนํามาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเรื่องมีอยู่ว่าตัวนอนดักแด้ที่จะเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งเมื่อโตเต็มที่ในขั้นนอนแล้วก็ถึงราวที่มันจะต้องเปลี่ยนสภาพจากนอนไปเป็นตัวแก้วในระยะนี้มันจะเกิดอาการอ่อนเพลียและมึนงงเป็นกําลังโดยที่มันจะต้องเริ่อการนอนหลับอันยาวนานของมัน เพื่อที่จะเปลี่ยนร่างไปเป็นตัวแก้วแต่เนื่องจากมันไม่รู้สภาพความเป็นจริงเช่นนี้มันจึงได้เรียกประชุมเพื่อนของมันและกล่าวขึ้นอย่างเศร้าใจว่านาเสดายเหลือเกินสหายเอยฉันจะต้องจากชีวิตอันสดใสและโลกอันสวยสดงดงามนี้ไปเสียแล้วความตายกําลังจะย่างเข้ามาเด็ดชีวิตของฉันไปเสียทั้งๆ ท, ที่ฉันยังมีอายุน้อยนิดเดียวช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายเหลือประมาณขอลาก่อนเพื่อนที่รักทั้งหลาย ขอลาการช่วงนิรันดร์พรุ่งนี้แล้วจะไม่มีตัวฉันอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปพวกเพื่อนของมันตังก็พากันร้องไห้ร้องห่ o กันยกใหญ่ด้วยความเสียใจตัวนอนที่มีอายุตัวอื่นก็บอกว่าสหายของเราจากเราไปแล้วช่วงนิรันดร์เราทั้งหลายก็จะต้องเป็นเช่นนี้ในไม่ช้าพวกเราก็จะถูกเดดชีวิตไปอย่างทารุณเหมือนกันหมดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้ เราไม่มีใครรู้แน่ว่าชาติหน้าของเราจะยังคงมีหรือเปล่าต่อจากนั้นมันก็แยกย้ายกันไปด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้จะทำให้เราหลายคนยิ้มอย่างเห็นขันในเมื่อคิดถึงว่าตุอนอนผีเสื้อช่างโง่เง่าถึงปานนั้นเพราะเรารู้ดีว่าการที่นอนผีเสื้อคิดว่ามันกำลังจะตายนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงที่สุด ในเมื่ออันที่จริงแล้วมันกำลังจะย่างเข้าสู่สภาวะที่จะกลายจากความเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปเป็นสัตว์แสนสวยที่พอผินบินไปมาได้อย่างเป็นอิสระเสรีซึ่งเมื่อเทียบกับความเป็นตัวนอนที่น่าเกลียดแล้วก็เป็นความเจริญและความสุขที่เปรียบกันไม่ได้เลยแต่นั่นแหละข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านอย่าเพิ่งยิ้มออกมาก่อนเพราะถ้าหากเราคิดย้อนเข้ามาหาตัวเราเองแล้วเราก็จะพบความจริงว่า ส่วนมากของพวกเราเองก็มีสภาพแห่งจิตใจเช่นเดียวกับตัวนอนผีเสื้อนั้นเหมือนกันเรามองดูความตายที่จะเกิดขึ้นแก่เราในทำนองเดียวกันกับที่ตัวนอนผีเสือ้อมองดูสภาวะที่จะทำให้มันกลายจากหนอนไปเป็นผีเสื้อนั่นเองนักปราชญ์สมัยโบราณท่านเล่านิยายเรื่องนอนผีเสื้อไว้ก็เพื่อจะให้เราย้อนหันมามองดูความคิดของตนเองโดยท่านได้ให้คติไว้ว่านอนผีเสือ้อ ต้องผ่านสภาวะที่เปลี่ยนจากนอนไปเป็นตัวดักแด้และจากความเป็นตัวดักแด้ไปสู่ความเป็นผีเสื้อแสนสวยชั้นใดความตายที่จะเกิดขึ้นแก่เราก็จะเปลี่ยนสภาวะแห่งชีวิตและความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นโดยลําดับชั้นนั้นถ้าหากว่าเรายินดีต้อนรับสภาวะดังกล่าวนี้ด้วยความรู้เท่าทันอย่างแท้จริงการนอนหลับของนอนผีเสื้อ ไม่ได้ทำให้ชีวิตของมันสูญหายไปฉันใดความตายของมนุษย์ก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์ต้องสูญเสียชีวิตตามความหมายอันแท้จริงไปได้เลยฉันนั้นชีวิตไม่ได้หยุดหรือสะดุดลงเลยแม้แต่ชั่วขณะเดียวไม่ว่าในกรณีการนอนหลับของนอนผีเสื้อหรือความตายของมนุษย์เพราะชีวิตย่อมสืบต่อกันได้เรื่อยไปในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอใท่านผู้อ่าน นำนิยายเปรียบเทียบนี้ไปคิดทบทวนดูให้ซึ้งก็จะเห็นความจริงซึ่งมีค่าอย่างยิ่งแก่ตัวของเราทุกคนเองไม่มีอะไรนอกจากชีวิตดังนั้นเมื่อว่ากันในแง่ของความจริงขั้นสูงแล้วหลักการของศาสนาทางตะวันออกจึงถือว่าไม่มีความตาย ตามความหมายที่เราเข้าใจหรือกลัวกันนั้นเลยคานี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดจากความหลงผิดและทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อไปอีกเราไม่มีความตายคือไม่มีอะไรเลยนอกจากชีวิตชีวิตมีหลายสภาพและหลายแบบและคนหลงก็ทึกทักเอาเองว่าแบบนั้นแบบนี้คือความตาย อันที่จริงไม่มีอะไรตายนอกจากจะมีการเปลี่ยนสภาวะของการดำเนินงานเท่านั้นท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนผู้เขียนเรื่องพุทธประวัติไว้เล่มหนึ่งได้อ้างถึงข้อความในคำภีพระควัตคีตาซึ่งท่านได้แปลไว้ว่าวิญญาณในที่นี้หมายถึงสปิริตในภาษาอังกฤษวิญญาณไม่เคยเกิดและไม่เคยตาย ไม่มีเวลาไหนที่วิญญาณไม่ดำรงอยู่การเริ่มต้นและที่สุดเป็นเพียงความฝันเท่านั้นวิญญาณดำรงอยู่โดยไม่เกิดไม่ตายและไม่เปลี่ยนแปลงความตายไม่สามารถทำให้วิญญาณกระทบกระเทือนได้นอกจากว่าจะทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่บ้านที่เป็นที่อาศัยของวิญญาณคือร่างกายเท่านั้น นักวัตถุนิยมมากล่าวอ้างว่าความตายเป็นสภาพธรรมดาของทุกอย่างในโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นย่อมมีความแตกสลายความดับและความตายเป็นของธรรมดาทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าคิดว่าวิญญาณก็คงจะต้องมีการดับสูญได้เช่นเดียวกันคำกล่าวนั้นอาจดูเป็นจริงโดยผิวเผินแต่เมื่อคิดให้ลึกซึ้งลงไป คืออย่าดูกันเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏกับสายตาแล้วก็จะเห็นว่าไม่เป็นไปเช่นนั้นเลยเพราะเมื่อกล่าวในแง่ปรมาทิทยาศาสตร์นั่นเองก็กล่าวได้ว่าไม่มีอะไรตายอย่างแท้จริงคือไม่มีอะไรสูญหายไปเลยสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าความตายแม้จะเป็นของที่ไม่มีชีวิตชิ้นที่เล็กที่สุดก็เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปหรือสภาวะของพลังงานที่ก่อกาเนิดสิ่งนั้นมาเท่านั้น แม้แต่ร่างกายเองเมื่อกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้วคือในแง่ปรมาทิทยาศาสตร์ก็ไม่ชื่อว่าตายทางนี้เพราะว่าร่างกายเป็นเพียงการรวมตัวของเซลล์ต่างๆกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยตนเองโดโดๆเซลล์ต่างๆของร่างกายเป็นเพียงพาหะหรือสื่อในทางวัตถุที่เป็นอุปกรณ์หรือช่องทางเพื่อให้พลังงานทางานและชุบให้เซลล์มีชีวิตขึ้นมาได้ เมื่อวิญญาณในที่นี้หมายถึงโซในภาษาอังกฤษเมื่อวิญญาณออกไปจากร่างกายแล้วหน่วยต่างๆของร่างกายก็ไม่มีแรงศูนย์กลางที่จะผูกมัดให้ร่วมทำงานไปด้วยกันดังนั้นมันก็เริ่มผลักดันกันออกไปโดยต่างส่วนต่างก็ทำงานกันอย่างเป็นอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพลังงานที่เป็นศูนย์กลางกล่าวโดยสรุปก็คือ เมื่อหมดแรงดึงดูดก็เกิดแรงผลักดันด้วยเหตุนี้นักเขียนผู้หนึ่งจึงได้เขียนบรรยายถึงสภาวะดังกล่าวแล้วไว้อย่างน่าฟังว่าร่างกายคือส่วนต่างๆแต่และส่วนของร่างกายมีชีวิตชีวาที่สุดก็ต่อเมื่อมันคือหมายถึงร่างกายส่วนใหญ่ตายแล้วนั่นเองและนักเขียนอีกผู้หนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่า ความตายเป็นสภาวะอย่างหนึ่งของชีวิตการตายของกายเนื้อร่างหนึ่งก็หมายถึงการเบิกทางไปสู่การก่อสร้างกายเนื้ออีกร่างหนึ่งนั่นเองดังนั้นการกล่าวอ้างเรื่องความตายว่าเป็นหลักของทุกๆสิ่งดังเช่นนักวัตถุนิยมชอบอ้างกันนั้นจึงนับว่าใช้ไม่ได้เลยในหลักความจริงขั้นสูงสุดของฝ่ายวิทยาศาสตร์ แต่สำหรับบุคคลผู้ได้พัฒนาทางวิญญาณมาสูงพอแล้วย่อมไม่ต้องการข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสนับสนุนความเชื่อของท่านแต่อย่างใดความรู้ของท่านเหล่านั้นเกิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักประการที่ประจักษ์แก่ใจอย่างมั่นคงอยู่แล้วว่าวิญญาณหรือโซ่ย่อมไม่ตายแม้หลังจากที่ร่างกายตายแล้วเพราะเมื่อบุคคลสามารถจะถอดวิญญาณออกไปจากกายเนื้อ และเดินทางไปในภูมิแห่งชีวิตในแบบต่างๆได้แล้วท่านย่อมเห็นได้เองว่าความจริงมีอยู่อย่างใดด้วยประสบการณ์ของตนเองโดยตรงสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีความสามารถถึงระดับนั้นและต้องการเหตุผลเป็นเครื่องประกอบบ้างก็ขอให้เขาหันมามองเข้าไปข้างในอย่าคิดแต่ว่าจะต้องมองออกไปข้างนอกถ่ายเดียวหลักวิชาปรัชญาทุกสายย่อมบอกเราว่าโลกภายในนั้น เป็นสิ่งที่มีความจริงยิ่งกว่าโลกภายนอกมากมายนักและอ่านที่จริงเราอาจจะใช้หลักวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้อความนี้ด้วยก็ได้เพราะการที่เราสามารถรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกภายนอกได้นั้นก็เป็นผลจากการรายงานของภายในนั่นเองยกตัวอย่างเช่นโดยแท้จริงแล้วเราไม่ได้เห็นต้นไม้ที่เรากาลังมองดูอยู่นั้นเลย แต่ถ้าว่าเราเห็นภาพหัวกลับของต้นไม้ต้นนั้นปรากฏอยู่บนเยื่อรเรตินาในดวงตาของเราเองต่างหากและถ้ากล่าวให้ลึกซึ้งลงไปอีกเราก็อาจพูดได้ว่าจิตใจของเขาก็ไม่ได้เห็นภาพนั้นเหมือนกันเพราะว่าจิตใจของเขาได้รับรายงานสัญสตเทือนจากเส้นประสาตตาซึ่งถูกเร่าด้วยภาพของต้นไม้นั้นต่างหาก ดังนั้นเราจึงไม่ควรละอายในการที่จะขุดค้นหาความจริงอันลึกซึ้งต่างๆจากจิตใจส่วนลึกของเราเองเพราะอันที่จริงแล้วความจริงส่วนลึกต่างๆก็ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเรานั่นเองในอาณาเขตอันกว้างขวางและลึกซึ้งของจิตใจที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือ s ั และเหนือสำนึกคือซูเปอร์คอนเชียสนั่นเองเราจะหาพบความจริงอันเป็นมูลฐานของสากลจักรวาลได้ซึ่งความจริงดังกล่าวนั้นจะมีหลักใหญ่ๆอยู่สองประการดังต่อไปนี้คือ1มีอำนาจสากลอันสูงสุดคือซูเปริมยูนิเวอร์แซลพาวเวอร์อยู่ภายใต้โลกอันเต็มไปด้วยปรากฏการของเรานี้อยู่อำนาจดังกล่าวนี้ อยู่เบื้องหลังโลกเรานี้และเป็นสาเหตุที่ทำให้ปรากฏการของโลกเราในรูปต่างๆนี้ดำเนินไปได้เรื่อยเรื่อตัวตนที่แท้จริงนั้นคือเลวเซลฟ์มีสภาพที่ไม่ตายซึ่งอันนี้ก็หมายถึงสภาพที่อยู่ภายในอันเป็นสภาพที่ไฟไม่สามารถเผาให้ไหม้ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ ลมก็พัดไปไม่ได้คืออะไรอะไรก็ทำลายไม่ได้เลยการค้นหาความจริงถ้ากระทําได้ด้วยการมองเข้าข้างในก็จะมีโอกาสได้เห็นตัวตนที่แท้จริงอันเป็นสิ่งที่ไม่ตายซึ่งอยู่ภายในได้แทนที่จะมองเห็นอยู่ในสิ่งอื่ น, นใดภายนอกซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุที่หยาบทั้งสิน้นจุดที่อยู่ภายในนีแหละเป็นฐานที่รองรับแห่งความจริงอันสูงสุด การค้นคว้าที่มุ่งออกภ า, ภายนอกก็จะทำให้เราติดอยู่ที่วัตถุส่วนการค้นคว้าหาที่มุ่งเข้าข้างในเป็นเรื่องของจิตใจดังนั้นทุกอย่างจึงมีคุณค่าโดยเฉพาะของมันขอให้ท่านจงเห็นคุณค่าของสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องท่านทั้งหลายถ้าท่านเงี่ยวหูฟังเสียงอันเกิดจากข้างในท่านจะได้ฟังบทเพลงแห่งวิญญาณ ซึ่งจะมีท่วงทานองดังก้องออกมาประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีความตายไม่มีความตายมีแต่ชีวิตชีวิตชีวิตอันไม่รู้จักตายในยามที่จิตของท่านสงบจากอารมณ์อันรบกวนความสันสะเทือนของเสียงแห่งบทเพลงจากภายในจะดังออกมาให้ท่านได้ฟังอย่างชาัดเจนมันเป็นเพลงที่ประกาศความจริงอยู่เสมอว่าไม่มีความตายมีแต่ชีวิต ชีวิตอันไม่รู้จักตายตลอดกาลหมายเหตุผู้อ่านการจะศึกษาเรื่องแนวนี้นั้นก็ต้องเข้าใจความหมายที่ท่านกล่าวด้วยนะครับว่าท่านหมายถึงแค่ระดับไหนแง่มุมไหนในยะใด หรือบางครั้งความจริงบางอย่างนั้นก็เป็นเพียงความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้นหลายเรื่องนะครับที่ควรจับแต่สาระสําสคัญไว้ก่อนอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อไปทั้งหมดยกตัวอย่างในประโยชน์สุดท้ายที่พูดถึงชีวิตอันไม่รู้จักตายตลอดการต้องไม่ลืมไหมครับว่าท่านเจ้าของเรื่องไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาพุทธดังนั้นสิ่งที่ท่านเชื่อที่ท่านเห็นนั้นก็ยังเป็นความจริงส่วนหนึ่งของภพภูมิเป็นความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ศึกษามามากพอจนเข้าใจหลักไตรลักษณ์ก็อาจจะรู้สึกค้านกับคำนี้ได้นะครับเพราะว่าในทางพุทธศาสนานั้นทุกอย่างทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตาเป็นคำสอนเดียวที่มีในพุทธศาสนาไม่มีในศาสนาอื่นนะครับการเข้าใจนิพพานและอนัตตาได้แท้จริงนั้นเป็นของที่เข้าใจได้ยากแน่นอนว่าปรารถนหลายท่านบางครั้งท่านเข้าใจแต่การจะสอนคนที่ปัญญายังไม่ถึงพอนั้น เป็นการยากมากบางครั้งท่านก็ใช้บุคลาธิฐานเกินนาสิ่งต่างๆมาเปรียบเทียบหรืออธิบายในระดับหนึ่งไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยเปรียบเทียบว่าให้เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกให้ได้เดินขึ้นพ้นอันตรายมาก่อนแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะค่ะคอยๆเดินขึ้นไปได้เองการศึกษาแกนแท้ของคําสอนในแบบของพุทธนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ควรจะศึกษากันก่อน ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านได้อ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายทั้งหมดและเข้าใจโครงสร้างคำสอนของพุทธได้ระดับหนึ่งดีพอแล้วการจะมาศึกษาเรื่องแนวนี้โอกาสที่จะลงทางก็เป็นไปได้ยากขึ้นนะครับทั้งนี้ในเรื่องของนรกสวรรค์เทวดาต่างๆนั้นมีคำอธิบายมากมายหลายแนวเมื่อศึกษาแล้วก็ควรศึกษาให้ครบอ่านหรือฟังให้ครบทั้งเล่มก่อนอย่างในชุดโลกทิพย์ก็เช่นกัน สิ่งสำคัญที่ควรศึกษาอย่างยิ่งก็คือคาอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณเช่นตัวอย่างในโลกทิพย์เล่มสองที่ท่านอธิบายเสริมเพิ่มไว้ค่อนข้างมากนะครับถ้าหากจะเข้าใจได้จริงในเรื่องนี้ก็ควรได้ศึกษาในเรื่องแววเสียงสวรรค์ซึ่งในนั้นจะมีการอธิบายตามแต่ระบทเพื่อจะได้เข้าใจหลักความจริงได้ถูกต้องตรงทางตามหลักคาสอนของพุทธได้มากขึ้นนะครับ